เดี๋ยวนี้มีโรคร้ายแรงชนิดหนึ่งนะที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นกับผู้คนเท่าไหร่ซึ่งก็นับว่าเป็นโชคดีของคนรุ่นเราโรคที่ว่านี่คือโรคโปลิโอโปลิโอนี่มันก็เกิดจากไวรัสนะแล้วกรลิอของมันก็ดุลแรงมากทำให้ถึงกับพิการได้สมัยสมาเด็กๆนี่ก็เห็นนะเห็นคนที่พิการเพราะ โรคโปลิโอแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยทแทบไม่เห็นละหรือไม่เคยเห็นเลยนะที่เป็นโรคโปลิโอตั้งแต่เด็กหรือว่าวัยรุ่นเพราะมีวัคซีนทั้งป้องกันทั้งรักษาแต่สมัยก่อนเนี่ยเรายังไม่มีวัคซีนนะคนก็ แต่เป็นโรคนี้แล้วนี่อาการก็สุดหนักตางนีไม่ใช่แค่พิการอย่างเดียวอาจจะถึงกับเป็นอัมภภพาตเลยทั้งตัวเลยนะเมื่อสักร้อยปีก่อนเนี่ยที่ประเทศอเมริกาเนี่ยก็มีเด็กคนหนึ่งนะอายุเพสิบเจ็ดกำลังหนุ่งกำลังแน่นอนาคตนะก็จำท่าจะไปได้ไกล โจโจ่ก็เป็นอัมาาพาตขึ้นมาแล้วก็อาการก็ดุแรงขึ้นเรื่อยๆจนขยับขยื่นไม่ได้เลยตอนหลังจึงรู้ว่าเป็นโปลิโอก็เลยเกือบตายนะหมอคิดว่าคงตายแน่น ะ, ะกว่ารอดได้แต่ก็ รอมาในสภาพที่เรียกว่ า, าทุกขทรมานนะเพราะว่าเขาเยื่อนขยับไม่ได้เลยอย่ยว่าแต่เท้าเลยนะมือนี่ขยับไม่ได้สันสีสรราก็ไม่ได้พูยังไม่ได้เลยแค่ขยับลูกในตาลูกตาทำได้แค่นั้นแหละนะขยับลูกตา แล้วก็ใครที่เจอแบบนี้เขาก็เรียกว่าเมื่อก็ตกนรกทั้งเป็นนะวัยรุ่นคนนี้หนุ่มคนนี้เนี่ยก็ตอนแรกก็ทรมานมากแต่หลังก็ค่อยๆเริ่มทำใจได้แต่ก็ทุกขน์นะเพราะว่านอนติดเตียงทั้งวันทั้งคืนแต่ตอนหลังเนี่ย เขาก็ไม่ยอมนะที่จะปล่อยไปลา้ายร่วงเลยไปหรือว่านอนเปล่าเปล่ า, าก็กำมันสังเกตความเป็นไปของผู้คนที่อยู่รอบข้างเขาในบ้านเขานี่ก็มีพี่สาวน้องสาวอยู่ประมาณ7คนนะพ่อแม่ระหว่างที่นอนอยู่เนี่ยเขาก็ สังเกตความเป็นไปของผู้คนแล้ววันหนึ่งเขาก็ได้พบในสิ่งที่เขาไม่เคยสังเกตมาก่อนคือพี่สาวน้องสาวนี่สนทนากันอยู่ในห้องเนี่ยแล้วก็มีคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าเนี่ยเออความคิดนีด้ดีนะ แต่ว่าระหว่างที่พูดเนี่ย เ, เขาก็สังเกตสีหน้าน้ำเสียงวก็พบว่าเนี่ยคนเวลาพูดคุยกันเนี่ยมันมีการขยื่นขยับนะบนใบหน้าไม่ว่าจะเป็นแก้มไม่ว่าจะเป็นคิ้วในตาปาก น้ำเสียงก็แตกต่างกันไปด้วยมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เล็กน้อยที่คนทั่วไปไม่ค่อยสังเกตนะซึ่งเขาก็ไม่เคยสังเกตมาก่อนแต่ว่าตอนหลังเขาก็เริ่มสังเกตแล้วมันบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวคนพูดนะอย่างเช่นตอนที่พี่สาวบอกว่าเนี่ยออความคิดนี่ดีนะ แต่ว่าใบหน้าสีหน้าน้ำเสียงของเธอเนี่ยมันบอกในทางตรงข้ามนะว่าความคิดนี้ไม่เข้าท่าเลยเขาก็เลยค้นพบว่าในเวลาคนพูดอะไรบางอย่างเนี่ยสีหน้าท่าทางน้ำเสียงเนี่ย มันอาจจะบอกไปในทางตรงข้างก็ได้เวลาบอกว่าใช่เนี่ยแต่ว่าสีหน้าท่าทางอากับกิริยาเนี่ยมันกลับบอกว่าไม่ใช่อันนี้คือสิ่งที่เขาค้นพบจากการสังเกตนะว่าสีหน้าน้ำเสียงอากับกิริยานี่ บางคร้ก็ไปคนละทางกับคำพูดนะหรือเนื้อหาที่พูดออกมาพอลุงขึ้นเขาก็เลยลองสังเกตลนะอเอียดขึ้นนะแล้วเขาก็พบว่าคนเราเนี่ยมันมีวิธีการหรือมีการส่งสัญญาณ ที่บอกความในใจว่าไม่ใช่หรือปฏิเสธเนี่ยสัญญาณที่ส่งมาเนี่ยมันมีถึง16ประเภทเลยนะนี่เขาสังเกตละเอียดมากไอ้สัญญาณหรือตัวบ่งชี้เนี่ยนะที่บอกว่า บอกถึงความในใจของผู้พูดว่าไม่ใช่หรือปฏิเสธเนี่ยมันแสดงออกมาทางร่างกายจากสีหน้าจากอากับกิริยาแขนมือแล้วก็รมั้งน้ํำเสียงด้วย พอเขาพบอย่างนี้เขาก็เลยเริ่มสังเกตละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแล้วก็เห็นนะว่าเออคนเรานี่เวลาพูดอะไรเนี่ยร่างกายเนี่ยมันอาจจะบอกไปอีกทางหนึ่งหรือมัอจจะบอกถึงความในใจของผู้พูดอย่างเช่นนะ เขาเห็นพี่สาวเนี่ยยื่นแอปเปิลให้น้องสาวแต่ว่าจากน้ำเสียงรวมทั้งมือที่มันดูเกรงเนี่ยมันบ่งบอกถึงความใจใจของพี่สาวว่าไม่ได้อยากให้หรอกอยากจะเก็บไว้กินคนเดียวแต่พูด เพื่อเป็นมารา ย, ยาทแล้วก็คาดหวังว่าน้องสาวนี้จะไม่รับแอปเปิ้ลที่พี่สาวให้หรือก็คาดหวังว่าน้องสาวจะรู้ว่าเนี่ยตัวพี่สาวเนี่ยจริงๆเนี่ยคิดอะไรอยู่แต่บอกว่าน้องสาวนี้ไม่รู้นะน้องสาวก็หยิบแอปเปิ้ลจากมือของพี่สาวไป แล้วก็ไปอันว่าพี่สาวก็ผิดหวังตรงนี้เนี่ยตัวน้องสาวไม่เห็นนะแต่ตัวเขาเนี่ยซึ่งสังเกตดูเห็ น, นว่าคนเรานี่ต้องพูดอย่างนะแต่ว่าใจนี่มันไปอีกอย่างหนึ่งร่างกายมันบอกแล้วก็บางทีก็สื่อส่งสัญญาณไปให้อีกฝ่ายหนึ่งรับรู้ ใจฝ่ายที่ก็ไม่รับรู้ด้วยเขาก็เริ่มสังเกตละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแล้วก็พบว่าเนี่ยร่างกายมันมันมีหลายส่วนนะที่มันบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกของเจ้าตัวตมีคราวห น, นึ่งเนี่ยพี่สาวมายืนอยู่ใกล้เตียงเข า, เขาก็สังเกตในชีพจรเนี่ยที่ ที่คอเนี่ยของพี่สาวมันเต้นตุบตุบตุ บ, ต บ, ต บ, ตบโอ้มันละเอียดมากเลยนะคนไม่สังเกตแต่ว่าเขาสังเกตเห็นเส้นเลือดที่คอพี่สาวเนี่ยมันเต้นมันแสดงว่าพี่สาวเนี่ยกังวลหรือว่าตื่นเต้นนะที่ได้มาอยู่ข้างๆเขาอาจจะ ก, กลัว นะที่เห็นน้องชายอยู่ในสภาพที่เหมือนก็บซากศพยพอเขาสังเกตแบบนี้เขาก็สังเกตไปเรื่อยแล้วก็พบเลยนะว่าโอ้ร่างกายคนเรานี่มันสามารถที่จะบอกอะไรอะได้อย่าง เ, เกี่ยวกับความคิดและอารมณ์ของผู้พูดได้ เอาของคนอื่นได้ของเจ้าตัวได้แม้ว่าเขาจะไม่ได้ตั้งใจจะสื่อสารออกมามันไม่ใช่แค่สีหน้ามันไม่ใช่แค่แววตาบางที่ลมหายใจหรือว่าการเต้นชีพจรตามบางส่วนของร่างกายรวมทั้ง การนั่งการยืนการเดินมันสามารถที่จะบอกอะไร เ, เกี่ยวกับผู้นั้นได้อันนี้ก็จะทำให้เขาเี่เห็นต่อไปว่าคนเรานี่บางครั้งเนี่ยผู้จ่าอ้อมค้อมผู้จ่าอ้อมค้อมเพราะคาดหวังว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะ งอนงอ้อหรืออาจจะอยากจะขออะไรบางอย่างจากอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการส่งสัญญาณแต่ว่าอีกฝ่ายนึ่งกไ็ไม่รู้ด้วยนะเพราะไม่สามารถที่จะรับรู้หรืออ่ารับรู้สัญญาณแบบนี้ได้ตอนหลังเข้าก็เลยนะค่าเวลา โดยการคิดเป็นเกมเลยว่าเวลาคนนี้พูดอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเขาต้องการบอกใบ้หรือส่งสัญญาณว่าอะไรพูดใช่แต่จริงจริงในใจเนี่ยคิดว่าไม่ใช่หรือว่าให้แต่ว่าในใจเนี่ยไม่อยากให้ หรือบางทีก็บอกใบนะว่าอยากจะให้ทำอย่างงั้นแตอย่างนี้แต่ไม่พูดตรงๆอ้อมออมซึ่งอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับผู้คนจำนวนมากเพราะบางครั้งบ่อยครั้งเขาเราก็ไม่พูดตรงๆนะผูอ้อมอ้อมด้วยความคาดหวังว่าอีกฝ่ายนึงี้จะเข้าใจหรือว่ารับสัญญาณได้ แต่ว่าบ่อยครั้งก็ผิดหวังนะเพราะว่าอีกฝ่ายนงเนี้ยไม่เก็ตนะ่ะพูด ง, ง่ายๆแล้วกลายไปว่าระหว่างที่ขณะที่เขาเนี่ยนอนเหมือนคนป่วยเนี่ยนอนติดเตียงเนี่ยช่วงเขานี่มนไม่ได้น่าเบื่อเลยนะเขาได้เห็นก็ได้เรีนรู้ผู้คน จากสีหน้าท่าทางจากอากับกริยาจากน้ำเสียงจากการนั่งการยืนจากการสะบัดผมหรือว่าจากการหายใจแล้วก็เดาว่าเนี่ยเขากำลังคิดอะไรอยู่เพราะต้องการสื่อสารอะไรในตอนหลังเนี่ย จากคนที่นอนแบบนอนติดเตียงเนี่ยเขาก็เริ่มเกิดความพยายามที่จะ เ, เคลื่อนไหวตัวเองให้ได้จากนอนเนี่ยก็เริ่มที่จะลุกนั่งได้สังเกตจากกล้ามเนื้อของตัวเองเขาอกเขาใช้วิธีจำนะ จำว่าตอนที่เขายังไม่อัมาพาตเนี่ยเวลาขยี้ขยับเวลาเดินเวลาลุกเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อส่วนไหนที่เขาใช้งานมันมีกล้ามเนื้อส่วนไหนที่มันตึงที่มันบิดที่มันที่มันหดจำเอาไว้จำได้แล้วก็พยายามที่จ ะ, ะควบคุมเอาไว้กล้ามเนื้อส่วนนั้นให้มัน ทำงานได้อย่างที่เคยเป็นพล้วก็ตอนหลังนี้เขาก็เริ่มเดินได้นะเรียกว่าเยียวยาตัวเอง แ, แท้ๆเลยอาจจะมีคนมาช่วยนวดกล้ามเนื้อบางส่วนให้แต่ว่าเขาเลยรู้ที่จะเดินเหินได้ด้วยตัวเองตอนหลังนี้ก็ ก็สามารถใช้ไม้เท้าเนี่ยในการพยุงตัวเองเนี่ยเดินไปไหนมาไหนได้ว่าทำไมตอนเขาก็สามารถที่จะเรียนหนังสือต่อตนจบเป็นแพทย์นะแล้วเขาก็เลือกเรียนเขาเลือกเป็นจิตแพทย์นะทำงานด้านจิตเวชแล้วก็เป็นจิตแพทย์ที่เก่งมากเพราะเขาเป็นคนที่สังเกต ผู้คนสังเกตภาษากายของผู้คนอย่างละเอียดกนะ็ทำให้ไม่เพียงแต่รู้นะว่าคนนี้กำลังคิดอะไรหรือกำลังมีอารมณ์อะไรไม่เพียงแต่รู้ว่าคนนี้เขามีนิสัยใจคออ ย, ย่างไรจากอากับกิริยาจากท่าทาง บางทีรู้กระทั่งว่าเขามีปัญหาอะไรอยู่ในใจมีปัญหาอะไรที่กัดกรุมอยู่หรือบางทีก็รู้ถึงตัวตนของคนคนนั้นมีข่าวหนึ่งนะผู้หญิงสวยเลยนะสาวมาหาเขาแล้วผู้หญิงคนี่บอกเนี่ยกำลังหาจิตแพทย์ที่เข้าใจตัวเขาแล้วก็อยากจะรู้ว่า อยากจะมาดูว่าจิตแพทย์คนนี้เขชื่อ m i l ตันเมลตันอริกสันซึ่งตอนลานี้ก็เป็นจิตแพทย์ที่มีชื่อมากปีนี้ก็อยากจะรู้เนี่ยเตันเนี่ยเป็นจิตแพทย์ที่เก่งพอที่จะให้คำแนะนำให้กับปรึกษาเข้าไหม m i l ตันก็บอกว่าเนี่ยขุดมา หาถูกคนแล้วพิงก็นก็ถามว่าคุณแน่ใจได้อย่างไรมิวตังก็บอกเนี่ยขอถามประโยคหนึ่งนะคุณแต่งชุดคุณใส่ชุดผู้หญิงเนี่ยมานานเท่าไหร่แล้วเพราะว่าคนไข้คนนั้นกตกใจเลยนะ ตกใจที่รู้ว่าตกใจที่มิลตันรู้ว่าเขาไม่ใช่ผู้หญิงนะแต่เป็นผู้ชายไม่เคยมีจิตแพทย์คนไหนเนี่ยที่สามารถจะรู้เลยนะว่าเขาเป็นผู้ชายเบอกเขาเหมือนผู้หญิงมากนะแต่มิลตันที่สังเกตจากอากับกิริยาแค่ไม่กี่อย่างนะก็รู้ว่าเนี่ยคนนี้เนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงนะเป็นผู้ชายทั้งที่ ใบหน้าทั้งที่รูปร่างน้ำเสียงมันเป็นผู้หญิงนะแต่กับกิริยาบางอย่างเนี่ยมันบอกว่านี่ผู้ชายผิวคนนั้นเนี่ยผู้คนค้าจะ น, นับถือเลยนะว่าใช่แล้วนะละเอียดมากในมุตันเนี่ยมีคคาหนึ่งผู้หญิงมาหาเขาบอกว่าเนี่ยเธอมีปัญหาเรื่อง กลัวการขึ้นเครื่องบินที่มาหาเพราะว่าสามีเนี่ยจะพาเธอเนี่ยไปต่างประเทศมือท่านสังเกตการนั่งการเดินของเธอเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยคนไข้เนี่ยนะเวลามาหาหมอเนี่ยไม่ควรจะปกปิดความจริงควรจะเปิดเผย นะความจริงเพียงั้นก็เอกใจแล้วก็ถามว่าพูดอย่างนี้หมายความว่ายงงอย่างไงมือตั้งกระหลกเนี่ยขอถามประโยคหนึ่งนะคำถามนี้อาจจะอาจจะไม่สุภาพสักหน่อยนะอาจจะตรงไปสักหน่อย คุณมีปัญหาเรื่องนอกใจสามีใช่ไหมดูนั่นตกใจเลยนะรู้ได้ยังไงนะบอกรู้ได้จากท่าทีการนั่งนะการนั่งของเธอเนี่ยมันแสดงว่ามีความกัดกุ้มใจบางอย่างแลวจากประสบการณ์เขาเนี่ยความกัดกุ้มใจนี่ยแบบเรื่องความรู้สึกผิดไม่สบายใจที่นอกใจสามีบอกว่าจริงเลยนะ เรื่องราวของมิวตันเนี่ยมันเชื่อเลยนะว่าคนเรานี่สามารถที่มีสัมผัสที่อ่อนไหวอ่ะสัมผัสที่ไวมากส่วนถึงเมื่อเกิดจากความจริงที่ว่าคนเราเนี่ยกายกระใจมันสัมพันธ์กันมากเลยเวลาเราพูดเวลาเราทำอะไรก็ตามเนี่ยหรือ เ, าเรามีอารมณ์ความรู้สึกอะไรก็ตามเนี่ย มันส่งผลต่อร่างกายมันมีผลต่อสีหน้าแววตาลมหายใจท่าทางอากัปกิริยาในใจ ม, นมันมีผลต่อกายอย่างละเอียดมากแต่ถ้าเห็นถ้าจับความละเอียดของกายได้ถ้ามีตาที่ละเอียดพอเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายเนี่ย ก็สามารถที่จะร่วงรู้ถึงความสุขนึกคิดและอารมณ์รวมทั้งปัญหาที่กำลังกัดกินใจของคนคนนั้นอยู่แล้วมิวตันเนี่ยเป็นคนที่วัมากนะเป็นเป็นสิ่งที่เขาเรียนรู้นะจากประสบการณ์ที่นอนอยู่บนเตียงเ ป, ปเป็นปิดเป็นปีๆแต่แทนที่จะนอนแล้วจมอยู่ในความทุกข์ เขาก็ถจอโอกาสเรียนรู้จากโลกรอบตัวแล้วเขาเลือกที่จะเรียนจากอากัปกิริยาของคนรอบข้างแล้วทำให้ล่วงรู้ถึงความจริงว่ากายกับใจสัมพันธ์กันมากเริ่มกรอเชอยนะว่าคนเรานี่มันมีความสามารถที่จะเห็นถึงความละเอียดอ่อนความเปลี่ยนแปลงแม้เล็กน้อยนในร่างกายของคนเรา ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงเรื่องของจิตใจอเมริกเนี่ยคนที่ความละเอียดออกของเขาเนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยสามารถจะอ่านคนได้จะแปลแล้วก็เป็นคนที่อ่านหนังสือไม่ค่อยได้นะเราะก็มีปัญหาทางสมองเนี่ยมีโรคชนิดหนึ่งซึ่งเป็นเงนเยอะนะอ่านหนังสือไม่ค่อยได้เพราะว่าตัวหนังสือเนี่ยเห็นมันมันไม่เป็นมันไม่มันไ ม, ม, นไม่มันไม่ลำดับอย่างคนทั่วไปเขาอ่านหนังสือไม่ได้ ต่การที่เขาอ่านหนังสือไม่ได้แถมตาบอดสีอีกนะยัไม่ต้องพูดถึงพิการเนี่ยมันก็นทำให้คนเขาเนี่ยสามารถที่จะอ่านคนได้เพราะว่ามีสัมผัสที่ไวล ะ, ละเอียดอ่อนนะต่อความเปลี่ยนแปลงแม้เพียงเล็กน้อยนะในร่างกายของคนเราเันอย่างง่ายหนึ่งนะคนเราเนี่ยสามารถจะฝึกได้นะให้มี สัมผัสที่ละเอียดอ่อนที่ฉับไว้เราก็ไม่จำเป็นต้องใช้สัมผัสที่ฉับไวนะั้นในการอ่านคนได้อย่างเดียวนะเราสามารถจะใช้ในการอ่านใจของเราก็ได้อันนี้สำคัญกว่านะอ่านคนนี่มันก็ดีเหมือนกันนะช่วยแก้ปัญหาของผู้คนได้หรือช่วยเข้าใจคนอื่นแต่มันคงจะไม่ดีเท่ากับการใจของตัวเองและการนันใจงตัวเองเนี่ยมัน สำคัญก็คือการที่มีความฉับไวนะในการอ่านหรือรู้ทันความคิดและอารมณ์ของตัวถึงแม้เราจะอ่านคนไม่เก่งนะเพราะว่าเราไม่ละเอียดพอในการเห็นความเปลี่ยนแปลงแม้เพียงเล็กน้อยในะร่างกายคนเราอย่างมิลตันเนี่ยแต่ซึ่งที่เราทำได้ง่ายกว่านะแล้วก็มีประโยชน์มากกว่านะ ก็คือการอ่านใจของตัวเองอาศัยใจที่ฝึกมาจนกรทั้งฉับไวเวลามีความคิดหรืออารมณ์เกิดขึ้นมันคล้ายๆกับความฉับไวของแมงมุมนะแมงมุมเนี่ยนะมันชักใหญ่ใหเนี่ยมันเบา บ, บางมากแต่มันไวมากเลยนะเวลามีเวลามีามมาแมลงหรือเหยื่อเนี่ย มาติดมาปทะทะมาสัมผัสกับใ ย, ยเนี่ยน่าจะเป็นสัตว์เล็กๆมแมลงเล็กๆเนี่ยแต่แมงมุมเนี่ยมันก็ไหวพอที่จะรู้ว่ามีเหยื่อมาติดกับดักของมันแล้วใจของเรานี่มันฝึกได้นะให้มันไวในการรับรู้ความที่และอารมณ์ที่เกิดขึ้น พอเวลามีความคิดและอารมณ์เนี่ยใจมันก็กบบเพื่อมนะมันเหมือนกับใหยแมงมุมที่มันกับเพื่อมเวลามีแมลงมามาติดหรือมาปะทะมาสัมผัสกับใหญ่นั้นเนี่ยใจเรามันมันก็ไวพอๆกันเป็นกันหรือสามารถทําให้ไวยิ่งกว่าก็ได้เมื่เราฝึกใจให้ไวในการรู้ทันความคิดและอารมณ์เนี่ย มันก็ทำให้เราไม่ตงเป็นธาสของความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยเพราะที่มันปรุงแต่งโดยไดยความหลง้ดยความไม่ตั้งใจหรือ ด, ด้วยอนหนาจของกิเลสเพราะวาความวิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของกิเลสหรือ ด, ด้วยนางความหลงเนี่ยมันเป็นเหตุสาเหตุที่ทำให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากทุกข์เนี่ยเราก็ต้อง มีความฉับไวในการรู้ทันความคิดะอารมณ์และทักษะนี้เนี่ยเรียกว่าทักษะนะหรือนิสัยเนี่ยมันฝึกได้ตัวอย่างอย่างมิลตันเนี่ยมันชื่อเลยนะ้จิตของคนเรานี่มันมีศักยภาพมากนะในการที่จะพัฒนาทำในสิ่งที่ คนทั่วไปไม่คิดว่าจะทําได้และที่จริงเนี่ยการที่เราจะรู้ทันอารมณ์อย่างรวดเร็วด้วยความฉับไวเนี่ยมันก็ไม่ได้อาศัยเวลานะมากมายไม่ต้องอาศัยความฉลาดเฉลียวอย่างมิลตันเลยพเพเพียงแตเราฝึกดู บ, บ่อยๆฝึกดู บ, บ่อยๆแต่สิ่งที่เหมือนกันคือหมั่นสังเกตนะ มิตานี่เขาก็หมั่นสังเกตคนตลอดเวลาเลยบางที่เขาป่วยเรานี่ไม่ป่วยนะเราก็สามารถจะสังเกตใจของตัวเองได้สังเกตบ่อยๆบางทีสังเกตไปถึงขั้นว่าเออมันมีผลต่อกายยังไง เ, เวลาโกรธเวลาเครียดหัวใจเต้นเร็วลมหายใจถี่สั้น มือไม้เกรงถ้าเราวัยพอเนี่ยเราก็จะสังเกตเวลาร่างกายมีอาการแบบนั้นมันก็บ่งบอกนะว่าตอนนั้นเนี่ยใจเราเป็นอย่างไรเอ้ยมันดีคือว่าพอเราเห็นอาการของกายเนี่ยมันก็ช่วยทําให้อาการของใจเนี่ยที่เคยแ ป, ปรปลุนเนี่ยมันก็กลับมาเป็นปกติได้อันนี้เรียกว่ารู้กายนะ พอรู้กายเนี่ยมันก็รู้ใจนะโดยที่นะครูบาจรารย์ว่าดูกายเห็นจิตนะถ้าเราละเอียดพอเนี่ยนะความเปลี่ยนแปลงแม้เพียงเล็กน้อยของกายก็ทำให้เรารู้ทันหรือเห็นอารมณ์ความสุด ข, ของตัวเองหรือถ้าเราฝึกมามากพอแม้เพียงความคิดอารมณ์ความสุ ข, ขเกิดขึ้น ใจก็เพื่อแม่เล็กน้อยนี่ก็รู้ทันแล้วก็วางมันลงได้อันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เหลือวิสัยนะความสามารถคนเราแต่เป็นสิ่งที่มันมีประโยชน์มากกว่การอ่านคนนะนะถ้าเราอ่านใจตัวเองนะถ้าเราอ่านใจตัวเองได้ดีเนีในการที่เราจะอ่านคนหนึ่งก็เกิดขึ้นได้ง่ายเป็นไปได้ง่าย เมื่อเราอ่านใจตัวเองออกนะไอการที่เรารู้จักตัวเองมันก็เป็นเรื่องที่ตามมาถ้าเรารู้จักตัวเองรู้ตัวดีไอการที่เราจ ะ, ะรักษาตัวรักษาตนนะให้ไกลจากความทุกข์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะหันมาฝึก อันมาเรียนรู้ที่จะฝึกให้มีความฉับไวนะในการรู้ใจตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐมากอาจารย์ น, นิพเทธนี้น ะ, ะกบครับ